จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาไวเพื่อมา สร้างบุญสร้างกุศลเพราะมีความเชื่อในหลักของกรรมคือการกระทาว่าทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วทำดีได้ความสุขได้ความเจริญทำบาปได้ความทุกข์ได้ความเสื่อมเสียนี่เป็นหลัก ของความจริงตายตัวไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรลมแล้นนำมาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกหรือไม่กระามกฎแห่งกรรมยอ่อมมีอยู่เสมอพูดกับการกระทำต่างๆของสัตว์โลก การกระทำที่สัตว์โลกทำกันอยู่เป็นประจำนี้ก็มีสามส่วนด้วยกันกระทำทางใจเรียกว่ามโนกรรมกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมการกระทำทั้งสามส่วนนี้ทำได้ทั้งบาปและบุญและไม่ใช่บาปและบุญ เมื่อทำแล้วผลก็จะตามมาต่อไปช้าบ้างเร็วบ้างขึ้นอยู่กับกรรมชนิดต่างๆที่มีความเจริญงอกงามส่งผลให้ต่อกันนั้นไม่เท่าเทียมกันเหมือนกับต้นไม้ชนิดต่างๆที่ออกดอกออกผลให้ไม่เท่าเทียมกัน ไม่พร้อมกันบางต้นต้องใช้เวลายาวกว่าจะออกดอกออกผลบางต้นใช้เวลาไม่ไม่มากนักก็จะออกดอกออกผลขึ้นมาการมต่างที่เราทากันทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จะออกมาช้า มาออกมาหลังจากที่เราตายไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างพวกเราที่มาเกิดในโลกนี้ก็มาเพราะกรรมกรรมที่เราทำไว้และที่เรามีความไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่าเทียมกันในด้านทรัพย์ ส, บสมบัติ เข้าของเงินทองในด้านของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณในร่างในในในในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาการ32ที่มีครบบ้างไม่ครบบ้างในเรื่องของทานะฐานะของแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน เหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำกรรมต่างๆในอดีตที่ค่อยๆสะสมเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยจนเมื่อถึงเวลาที่จิตออกจากร่างไปกรรมเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ทันทีถ้าได้ไปเกิดบนสวรรค์ ก็เป็นอนุภาพของบุญของกุศลถ้าต้องไปเกิดในอบายก็เป็นอนุภาพของของบาปของกรรมได้ไปใช้บาปใช้กรรมแล้วหรือได้ไปเสวยบุญแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้จะดีกว่าเดิมหรือเร็วกว่าเดิม ก็อยู่ที่ว่ากลับมาจากทิศไหนทางไหนถ้ากลับมาจากสบายหลังจากที่ไปใช้บาปใช้กรรมแล้วก็จะกลับมาในสภาพที่เร็วกว่าเดิมหรือเท่าเดิมแต่จะไม่ดีกว่าเดิมถ้ากลับมาจากสวรรค์ก็จะกลับมาดีกว่าเดิมหรืออย่างน้อยก็เท่าเดิม ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าในพระชาติที่เป็นพระเวชสรรดอหลังจากที่ได้ทำบุญให้ทานอย่างมากมายพอหลังจากที่ตายไปแล้วจิตของท่านก็ไปเกิดในสวรรค์ไปสวยบุญในสวรรค์เมื่อบุญที่ได้ทำมานั้นหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ แล้วก็ได้มาบำเพ็ญจนได้ตัดสรุเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญบุญอยู่ตลอดเวลาอาริสมของบุญนี้จึงได้ผลได้ส่งให้ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจนถึงจุดสูงสุดคือ ได้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายพวกเราที่ได้มีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้คำสอนอันประเสริฐนี้หลุดไปจากมือของพวกเราเราควรที่จะน้อมเข้ามาปฏิบัติ ถ้าเรายังไม่สามารถพิสูจน์เรื่องของกรรมได้ด้วยตนเองก็ขอให้เรามีศรัทธาให้เชื่อไว้ก่อนแล้วนำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติมาพิสูจน์ดูว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรเพราะส่วนหนึ่งของผลของกรรมนี้เกิดในชาตินี้ เกิดในปัจจุบันไม่ต้องรอถึงชาติหน้าถ้าเราลองปฏิบัติตามแล้วเราจะเห็นว่าชีวิตของเรานี้เป็นไปตามการกระทำของเราจริงๆถ้าเราทำดีเรื่อยๆ เ, เราก็ต้องเจริญขึ้นมาหรืออย่างน้อยที่สุดใจของเราก็จะมีความสุข ส่วนความเจริญทางด้านอื่นอาจจะไม่เจริญหรืออาจจะเสื่อมลงไปก็ได้เพราะมันเป็นวิบากของบุญของกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตดังนั้นบางทีเราคิดว่าเราทำบุญอยู่อย่างสม่าเสมอแต่ทำไมเราไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่เราไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ นั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นผลของบาปของกรรมที่เราได้ทำมาในอดีตส่วนผลบุญที่เราทำในปัจจุบันนี้ยังไม่มีโอกาสได้ออกดอกออกผลหรือว่าเรายังทำไม่มากพอยังไม่สามารถที่จะมาลบล้างความทุกข์ความไม่สบายใจ ที่มีอยู่ในใจที่เกิดจากบาปกรรมที่เราทำมาไว้ก่อนแล้วในทางตรงขันข้ามบางทีเราอาจจะคิดว่าเราทำบาปทำกรรมอยู่เรื่อยๆไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ทำบุญแต่ทำไมเรามีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขนั่นก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นเพราะบุญที่เราเคยทำมาในอดีต กำลังส่งผลอยู่ส่วนบาปที่เรากำทำอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ส่งผล mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าทำบาปแล้วกลับได้ความสุขได้ความเจริญและทำบุญแล้วกลับได้ความทุกข์ได้ความเสือ่อม mm hmm. นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ขอให้เรามองไปในระยะยาว อย่ามองแต่ในขณะปัจจุบันในวันสองวันนี้พอเริ่มทำบุญได้ไม่กี่ครั้งก็หวังที่จะให้ได้รับผลบุญเลยหรือบางคนทำเช้าอยากจะได้เย็นก็มีเช่นวันนี้ตอนเช้าก็ตักบาตตอนบา่ายตอนเย็นก็หวังว่าจะถูกลอตเตอรี่อย่างนี้มัน มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันโดยตรงถ้าเราถูกลอตเตอรี่นี่มันก็ถูกได้โดยที่เราจะตักบาหรือไม่ตักบาทถ้ามันเป็นโชคของเรามันเป็นจังหวะที่มันจะถูกจะทำบุญหรือไม่ทำบุญมันก็ถูกได้หรือมันเป็นบุญที่เราเคยทำมาในอดีตที่มาสงผลในวันนี้ก็ได้ดังนั้นเวลาทำบุญ อย่าเพิ่งไปเล็งรอผลของบุญผลของบุญที่เราจะเล็งได้ในปัจจุบันทันทันทีเลยก็คือความสบายใจเวลาเราให้ทานแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจพอใจถ้าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่ได้ให้ด้วยความโลภอยากได้ สิ่งตอบแทนจากผู้รับเช่นให้อะไรแล้วอยากจะให้เขาดีกับเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาไม่ดีกับเราเราก็จะเสียใจหรือถ้าเขาร้ายกับเราเราก็จะยิ่งเสียใจใหญ่ทานกระทาทานเพื่อให้เกิดความสุขใจนั้นต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่ปรารถนา อะไรเป็นการตอบแทนทำพ่ออยากที่จะเอาชนะกิเลสคือความโลภความตนีที่มีอยู่ภายในใจที่สร้างความคับแคบใจสร้างความไม่สบายใจให้แกเราพอเราเห็นผู้อื่นเดือดร้อนแล้วเราสงสารอยากจะให้เขาได้มีความสุขบ้างมีความสบายบ้างเราก็ช่วยเขา ถ้าเราช่วยโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องขอบใจเราเขาจะต้องสำนึกในบุญคุณของเราให้เขาเพื่อประโยชน์ของเขาโดยถ่ายเดียวเราก็จะมีความสุขใจขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือการให้ทานที่จะเห็นผล ท, ทันทีก็ต้องให้ด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ให้เพื่อ เอาชนะความเห็นแก่ตัวชนะความคับแคบใจชนะความตนันนชนะความโลภถ้าให้อย่างนี้แล้วใจจะมีความสุขนี่คือเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นที่ใจเป็นหลักเช่นเดียวกับการทำบาปพอทำบาปแล้วใจก็จะไม่สบายขึ้นมาทาั้งๆที่ผลยังไม่เกิด บางคนไปทําบาปมาแล้วก็เกิดความไม่รู้สึกสบายใจกลัวที่จะต้องไปรับใช้กรรมต่อไปแต่เมื่อเราทําบาปแล้วเราต้องยอมรับความจริงว่าเราไปล้างมันไม่ได้เราไปลบมันไม่ได้กรรมอันใดที่เราทําแล้วไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปนี้ เรากลับไปลบมันไม่ได้แต่เราสามารถลบบาปหรือลบบุญที่เรายังไม่ทำได้ด้วยการไม่ทำมันนั่นเองถ้าเราไม่ทำบาปต่อไปบาปต่างๆก็จะไม่มีถ้าเราไม่ทำบุญต่อไปบุญต่างๆก็จะไม่มีเช่นเดียวกันดังนั้นในขณะที่เราต้องรับเคาะกรรมต่างๆ จากกรรมที่เราได้ทำมาในอดีตเราอย่าไปหาวิธีสะเดาะเคราะห์อย่าไปทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อขับไล่หรือเพื่อชำระวิบากกรรมเหล่านั้นมันไม่เป็นผลแต่อย่างใด <c oughs> เช่นบางท่าน <c oughs> เมื่อมีความตกทุกข์ได้ยากก็ไปหาวิธีสะเดาะเคราะห์วิธีต่างๆบางทีก็ไปหาหมอดู ให้หมอดูบอกว่าให้ทำอะไรหรือว่าไปทำพิธีสะดอกเคราะห์ต่างๆตา ง, ตางที่เขาบอกให้ทำไปบูชาลาหุนไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่เพื่อเอาไปไหว้ผีไหว้เจ้าหรือไปทำคุณไสยทำอะไรต่างๆเหล่านั้นมันไม่สามารถที่จะไปลบล้าง วิบากกรรมที่กำลังเกิดขึ้นได้หรือไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นการที่จะไปลบล้างวิบากไม่ไปสะเดาะเคราะห์ได้มีทางเดียวที่ทำได้ก็คือทำจิตใจให้สงบ ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาสีง์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการปรงอนิจังทุกขงังมณตายอมรับว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าทำอย่างนี้ได้ใจก็จะสบายท่ามกลางความเสื่อน ความเสียหายต่างๆแต่ใจจะไม่เดือดร้อนใจจะเย็นใจจะสบายเพราะใจมีธรรมะไว้คุ้มครองรักษานี่คือวิธีที่เราควรจะทำในยามที่เราตกทุกข์ยากยากพยายามทำบุญให้มากขึ้นพยายามละการกระทำบา อย่าไปทำมันพ อ, อยิ่งทำบาปเดี๋ยวมันก็ยิ่งส่งผลเสียหายให้แก่เรามากขึ้นไปอีกดังนั้นถ้าอยากจะสะเดาะเคราะห์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ต้องละ ก, การกระทำบาปเรียกว่ารักษาศีลไว้ให้ได้รักษาศีลห้าไว้ให้ดีละเว้นจากการฆ่าสัต์ตัดชีวิต ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปลมมดเห็ดและละเว้นจากการเสพสุรายาเมาถ้าเรารักษาศีลไปได้ตลอดต่อไปข้อกรรมต่างๆก็จะไม่มีตามมาหลังจากที่ข้อกรรมต่างๆที่เราได้ทําไว้นั้นมัน มันหมดไปแล้วหรือว่าเราจะรักษาศีลยย่งกว่าชีวิตของเราได้คือเรายอมตายดีกว่าทำบาปถ้าเราทำถึงขั้นนั้นได้เพราะเราเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ากว่าศีลธรรม ชีวิตนี้ไม่มีค่าเท่ากับศีลธรรมและเรารู้ว่าชีวิตนี้อย่างไรมันก็ต้องดับไปจะต้องตายไปอยู่ดีแต่ถ้าตายไปเพื่อรักษาศีลไวนี้จะเป็นประโยชน์กว่าจิตใจจะเป็นประโยชน์แก่จิตใจอย่างยิ่งเพราะจะป้องกันไม่ให้ใจต้องไปใช้บาปใช้กรรม ในอบายต่อไปนี่เป็นอนิสง์ของการรักษาศีลยย่งกว่าชีวิตผู้ที่จะรักษาศีนได้ยิ่งกว่าชีวิตก็คือพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นแล้วว่าบาปกรรมนี้แหลเป็นตัวที่จะ ทำให้จิตใจต้องไปตกนรกต้องไปเกิดในอบายการไม่กระทำบาปกรรมตั้งแต่บัด น, นี้ไปถึงขั้นที่ยอมเสียชีวิตก็จะทำให้ท่านไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายต่อไปนี่คือวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะสะเดาะเ้ราะกรรมได้ก็คือยอมตาย ดีกว่าไปทำอะไรอย่างอื่นเช่นตอนนี้เราอดอยากขาดแคลนทุกยากลำบากถ้าจะต้องตายไปก็ยอมตายดีกว่าไปทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะรักษาชีวิตไว้ <loud. S 1> ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วบาปกรรมต่างๆที่เราเคยทำมาในอดีตมันจะไม่มีอำนาจส่งผลตอ่อจิตใจอีกต่อไป มันจะไม่สามารถส่งใจให้ไปเกิดในอบายได้และพพชาติที่เหลืออยู่ก็จะมีไม่เกินเจดชาติด้วยกันและก็จะเป็นพพชาติของมนุษย์จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจดชาติก็จะบรรลุถึงพระนิพพานได้เพราะมีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎตายตัวจึงมุ่งมั่นอยู่กับการทำความดีอย่างเดียวไม่ทำบาปอต่อไปมุ่งมั่นต่อการกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นตัวสร้างทำให้จิตสร้างบุญสร้างกรรมต่างๆเมื่อสร้างบุญสร้างกรรมแล้วก็ต้องไปรับบุญและรับกรรมถ้าตัดความโลภความโกรธ ค, ความหลง ได้จนไม่มีตัวที่ผักดันให้ไปสร้างบุญสร้างกรรมก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดถึงแม้จะเกิดในสวรรค์มันก็ยังไม่ดีเพราะสวรรค์มันก็ยังต้องหมดไปบุญเมื่อหมดแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต้องมาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆขึ้นๆลงๆอยู่ไป แต่ถ้าเราสามารถตัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้แล้วก็จะไม่มีตัวผลักให้ไปทำบาปทำบุญและไปรับบาปรับบุญอีกต่อไปใจก็จะเป็นพระนิพพานไปใจก็จะถึงพระนิพพานเช่นใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่าน เป็นพระนิพพานเนื้อถึงพระนิพพานแล้วด้วยการละบาปต่างๆด้วยการทําความดีต่างๆให้เต็มที่และด้วยการชําระความโลภความโกรธความลง่ทั้งหลายจนหมดสิ้นไปจากจิตจากใจท่านจึงได้พบกับความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พบกับความสุขและความเจริญ ไปตลอดอนันตการไม่มีที่สิ้นสุดเกิด<ม>จากกรรมนี้ทั้งนั้นคือเกิดจากกรรมดีและเกิดจากการละการกระทำกรรมที่ไม่ดี<ม>ทำดีละบาปแล้วก็ชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนา ด้วยการเจริญปัญญาวิปัสสนานี่คือเครื่องมือที่จะทำให้จิตใจได้พบกับความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายพบกับความเจริญที่ไม่มีวันสิ้นสุดอยู่ที่กรรมดีเหล่านี้ดังนั้นขอให้เราจงเชื่อกรมเหมือนกับเราเชื่อหมอ ถึงแม้เรายังไม่รู้ว่ายาที่หมอนี้ยาที่หมอให้เรามารับประทานนี้จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราได้หรือไม่อย่างน้อยเราก็เชื่อว่าต้องรักษาได้แล้วเราก็นำเอามารับประทานพอรับประทานไปแล้วเราก็จะรู้ว่ายานี้รักษาโรคได้หรือไม่ ถ้ารักษาโรคไม่ได้ก็รู้ว่ายานี้ไม่ถูกกับโรคหรือหมอไม่รู้จักวิธีรักษาโรคแต่ถ้ารับประทานแล้วเราหายจากโรคก็แสดงว่าหมอรู้จักวิธีรักษาโรคยาเป็นยาที่ถูกกับโรคฉันใดการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยความเชื่อเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่ากรรมที่พระเจ้าสงสอนนี้เป็นความจริงเชื่อว่าทำบุญแล้วได้ไปสวรรค์ได้ไปพันิพานทำบาปแล้วต้องไปตกนรกกำจัดความโลภความโกรธความหลงแล้วก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ เมื่อเราเชื่อแล้วเราก็นำเอามาปฏิบัติมาทดลองดูพอปฏิบัติไปแล้วเราก็จะเห็นผลปรากฏขึ้นมาในใจของเราใจของเราจะมีความสุขความสบายใจมากขึ้นจะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยลงจะมีความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปเรื่อยๆจากการปฏิบัติ เ, เมื่อปฏิบัติไปแล้วเห็นผลแล้วทีนี้เราก็ไม่ สงสัยแล้วตอนนี้เราก็จะมีแต่ความยินดีที่จะปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆบางท่านเมื่อปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนไปจากเป็นคาราว่าก็อยากจะเป็นนักบวชขึ้นมาบางท่านก็สละเรือนแล้วก็ออกบวชบางท่านถ้ายังมีภารกิจที่ยังต้องครองเรือนอยู่ ก็จะทำหน้าที่ของผู้คลองเรือนไปเท่าที่จำเป็นเวลาว่างก็จะทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากความเชื่อในเบื้องต้นเชื่อแล้วเราก็นำเอามาทดสอบเอามาพิสูจน์พอพิสูจน์แล้ว เราก็จะเห็นผลเพราะเห็นผลแล้วเราก็จะเกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าท่านยังไม่เชื่อในเรื่องของกรรมก็ขอให้เชื่อตั้งแต่แบบนี้ไปเถิดเพราะมีผู้ที่เชื่อมามากมายและได้รับผลอันดีจากการเชื่อนี้คือพระอริยสงสาวกทั้งหลาย ในเบื้องต้นนี้ไม่มีพระ อ, อริยสงสาวกแม้แต่องค์เดียวมีแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกที่ได้พบกับหลักกรรม น, นี้หลังจากที่พระ อ, องค์ได้พบและนนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนก็มีผู้ที่ได้ยินได้ฟังเกิดศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์กันเป็นจำนวนมากเป็นพระ อ, อริยสงสาวก ท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ยืนยันหรือรับรองความจริงของพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงล้วนๆไม่เป็นไม่เป็นของหลอกของปลอมเลยความความจริงที่สอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เป็นความจริงอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นพระสาวกนี่แหละก็เป็นผู้ที่ทําหน้าที่เผยแผ่ความจริงอันนี้ต่อต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้าศาสนาของเราที่ยังยืนหยัดอยู่ได้เพราะเป็นคำสอนที่เป็นจริงเป็นคำสอนที่พิสูจน์ได้ถ้าไม่เป็นความจริงแล้วผู้ปฏิบัตินอมเอาไปปฏิบัติ ก็จะรู้ว่าไม่เป็นความจริงเมื่อไม่เป็นความจริงก็จะไม่มีใครนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนต่อไปศาสนานก็จะต้องสูญหายไปต้องต้อนานแล้วแต่เหตุที่ศาสนานยังอยู่กับพวกเราจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นคำเป็นความจริงนั่นเองผู้ที่รับไปปฏิบัติได้รับประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงจึงทำให้ศาสนานี้ยังอยู่คู่กับเราต่อไปและจะอยู่คู่กับเราไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีความเชื่อและมีการนำเอาไปปฏิบัติจนบรรลุถึงผลได้ศาสนาก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าตราบใดความเชื่อนี้หมดไป การปฏิบัติหมดไปศาสนาก็จะต้องหมดไปเพราะจะไม่มีใครนำมาเผยแผ่สั่งสอนต่อไปนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะอนุรักษ์รักษาพระพุทธศาสนาวิธีทางที่ถูกก็คือขอให้เราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามจนบรรลุถึงผลแล้วเราจะช่วยกันรักษาศาสนาได้ การที่รักษาศาสนาด้วยการปกป้องไม่ให้ผู้อื่นมาทาลายนี้ไม่ใช่วิธีรักษาเพราะว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเขาจะทำลายเขาก็ทำลายได้แต่เพียงวัตถุซึ่งไม่ใช่เป็นตัวศาสนาพระพุทธรูปไม่ใช่ตัวศาสนาพระเจดีย์พระโบสถ์พระอุโบสถพระวิหารต่างๆไม่ใช่เป็นองค์ของศาสนา องค์ของศาสนาอยู่ที่คําสอนของพระพธธุทธเจ้าอยู่ที่การเชื่อคําสอนนี้และนําไปปฏิบัติจนปรากฏเป็นผลขึ้นมาเมื่อเห็นผลแล้วไม่มีใครจะสามารถมาลบล้างความเชื่อความรู้ของเราได้ต่อให้เขาฆ่าเราตายไปเขาก็ฆ่าได้แต่เพียงร่างกายแต่ใจและความเชื่อที่อยู่ในใจนี้จะไม่สามารถถูกลบล้างไปได้ เมื่อใจไปเกิดใหม่ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานใจนี้ก็จะนำเอาความเชื่อความรู้นี้มาเผยแผ่ต่อไปได้จึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อและนำเอาคาสอนที่ท่านเชื่อนี้ไปปฏิบัติอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้ผลอันดีอันเลิศอันประเสริฐก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอน